แผนกทานกนะุศลก็งวนน่นะไม่สนใจสนใจแต่ว่าเอาเล่่งกันบอกใครใครค้าค้าเจริญกุศลในยุคนี้ก็เหมือนกันนะใครใครทานก็ทานใครใครศีลก็ศีลใครใครภาวนาก็ภาวนาภาวนาใคส้ส ม, มถะก็ส ม, มถะใครวิปัสสนาก็วิปัสสนาไปนั่นนะ ก็ต้องยอมรับความหลากหลายเหมือนกันเถอะคือสัตว์โลกเป็นสิ่งที่อะไรจะวิจิตเท่าไม่มีอีกแล้วเห็นไะความคิดนี่มันวิจิตจริงๆแม้แต่ทานนักกุศลก็คิดไม่ค่อยเหมือนกันก็สังเกตดูผู้ที่ให้ทานนะอาหารที่เอามาให้ทานก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่ก็บ่งถึงความหลากหลายแม้กระทั่งทานนักกุศลนศนะีลกุศลเนี่ยศีลห้าข้อนะ คนที่ให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าทุกทั้งห้าข้อเลยเนี่ยนะก็ให้ความสําคัญเป็นบางข้อเนี่ยนะสำหรับบางท่านจะเป็นอย่างนั้นแม้แต่ศีลอุโบโสถก็เหมือนกันผู้ที่นักกินก็จะให้ความสําคัญกับข้อหมากหน่อยใครที่ชอบแต่งตัวก็ให้ความสําคัญกับข้อเจดมากหน่อยใครที่มักนอนก็อาจจะให้ความสําคัญกับข้อแปมากหน่อยอนะก็จะปรับไม่เท่ากันห ในเรื่องของศีลห้าที่ท่านอาจารย์ว่าให้ความสําคัญไม่เท่ากันอาจจะเนื่นองมาจากการประพฤติโดยส่วนตัวหนึ่งสองโดยอาชีพเพราะฉะนั้นการประพฤติส่วนตัวพอดีโดยอาชีพพอดีก็จะไปขัดกันกับศีลบางข้อก็ต้องให้ความสําคัญกับข้อนั้นมากน้อยถ้าไม่ได้ ถ้าใครอยู่ที่ยุ่งชุมชุมก็อาจให้ความสําคัญกับเรื่องปานาติบาตมากหน่อย น, ยนยอ ะ, ะแมลงมันเยอะอ่าเดี๋ยวเดินไปเหยียบมันนะสงสารมันอะไรเงี้ย น, ยนยก็จะให้ความสําคัญจำไม่เท่ากันนะแต่ถ้าอยู่กับด้านทรัพย์สินของผู้อื่นมากก็ต้องระวังเรื่องอธินาทานมากนะถ้าใครใช้วาจาบ่อยๆชอบพูดชอบคุยก็ต้องศีลประเภทวาจาก็รับฟัให้ดีนนะ ถ้าใครเกี่ยวข้องกับพวกตระกูลนำน้ําทั้งหลายแหละก็อ้าวถ้าโต๊กินเลี้ยงก็ไม่รู้แก้วไหนเป็นแก้วไหนเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวไปดื่มแก้วไหนก็ไม่รู้ง่าแย่นะแม้แต่สินข้อปัญาที่เธอแจ้งไว้การที่ให้ความสนใจเนี่ยเป็นได้ทั้งสองด้านถ้าหากว่าไปอยู่ที่ยุงจุ่ๆอาจจะให้ความสนใจในเรื่องการรักษาศินในข้อปัณหาแต่ในขณะเดียวกัน บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในที่ยุ่งเยอะๆก็ทําประนานมากที่สเพราะฉะนั้นจะเป็นได้ทั้งด้านทั้งสองด้านทั้งสด้านคืออย่าลืมว่าศีล น, นี่นะเวลาจะเกิดก็เกิดในใกล้สิ่งที่จะทําให้ผิดศีลเนี่ยนะเพราะว่าศีลประเภทสัมปตตวิรัตนะมันก็จะอยู่ ใ, นในกล้ๆ ก, กับกับสิ่งที่จะล่วงเนี่ยนะจะรักษาหรือจะล่วงมันก็อยู่ ใ, นในกล้ๆ ก, กันนั่นแหละถ้าคนมีศีลก็ไม่ล่วง คนทุศีนก็ร่วงในในสิ่งเดียวกันนั่นแหละในหัวข้อที่เรียนในวันเสาร์นี่นะส่วนใหญ่ก็คงหัวข้อที่ตั้งไว้เลยก็คือพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะ คือความที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและก็ด้วยด้วยพระองค์เองนี่เราก็มาดูว่าเอาแล้วพระองค์นี้ตรัสรู้อะไรบ้างล่ะที่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ก็พระองค์ตรัสรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งตรัสรู้ธรรมะที่ควรกาหนดรู้ตรัสรู้ธรรมะที่ควรละตรัสรู้ธรรมะที่ควรทาให้แจ้งตรัสรู้ธรรมะที่ควรเจริญนั่นเอ ทีนี้ส่วนไหนที่ควรรู้ยิ่งพระองค์ก็รู้ยิ่งแล้วส่วนไหนที่ควรรอบรู้พระองค์ก็รอบรู้แล้วส่วนไหนที่ควรละพระองค์ก็ละแล้วส่วนไหนที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วส่วนไหนที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญแล้วเนี่ยนะกิจในการรู้ยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงการเจริญกิจเหล่านี้พระองค์ไม่ต้องมีผู้สอนเนีย่ยนะพระองค์ทากิจเหล่านี้ได้ด้วย พระองค์เองนั่นเโดยที ok ่ไม่ต้องมีใครบอกว่าสิ่งนี้ท่านต้องรู้ยิ่งนะสิ่งนี้ท่านต้องกําหนดรู้นะสิ่งนี้ท่านต้องละสิ่งนี้ท่านต้องทําให้แจ้งสิ่งนี้ท่านต้องเจริญไม่มีใครบอกพระองค์พงษ์รู้ด้วยด้วยปรีชาหรือที่เรียกว่าปรีชาก็คือปัญญานะรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองนั่นเอเพราะว่าพระองค์นั้นบําเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะตรัสรู้โดยชอบและก็ด้วยด้วยพระองค์เองนั่นเที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะ ผู้ที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระ อ, องค์เองนั้นอ่ะจะมีความละเอียดรอบคอบถีท้วนทุกแง่มุมนในในในการตรัสรู้ทั้งโดยของลำพังพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ก็พิจารณาละเอียดถีท้วนรอบคอบทีนี้การตรัสรู้ของพระ อ, องค์ก็มุ่งไปเพื่อว่าทํายังไงจะได้แนะนําผู้อื่นด้วยเนี่ยนะสั่งสอนผู้อื่นด้วยเพราะนั้นความละเอียดถี่ถ้วน ก, ก็ต้องนับวามาก เนี่ยนะมากกว่าผู้ที่ตรัสรูอ้อยู่เฉพาะในส่วนลาพังตัวเองเนี่ยนะก็สังเกตดูนะว่าเรื่องไหนที่เราชาติจะรับรู้เฉพาะตัวเองก็อาจจะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากใช่ไหมคือไม่ต้องละเอียดอะไรมากมายนะักแต่ถ้าต้องเอาสิ่งนั้นไปบอกเล่าต่อผู้อื่นด้วยเนี่ยนะก็ต้องละเอียดพิถีพิถันค่อนข้างสูงฉันไดการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนี่ยนะ ในด้านการตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อริยสัจสัมมเนณนที่บรรลุเจขวบนะท่านก็บรรลุอริยสัจบรรลุอริยสัจถ้าเทียบโดยเรื่องความหลุดพ้นไม่มีความต่างกันเห็นไหมหรือแม้กระทั่งพระเจ้าสุโทธทนะที่บรรลุในวังอะนะกับพระพิสุที่บรรลุอยู่ที่ป่าไม่มีความต่างกันโดยโดยโดยวิมุตเห็นไหมโดยความหลุดพ้นจากกิเลสไม่มีความต่างกันเลย แต่ว่าหลังจากนั้นจะต่างกันคือที่ต่างกันก็คือบางท่านตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้เฉพาะลำพังบางท่านก็ตรัสรู้แล้วเที่ยวสอนคนอื่นด้วยช่วยประกาศเนี่ยนะบางท่านก็สอนในฐานะเป็นศาสดาอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในฐานะพระองค์นี้เป็นพระศาสดาเนี่ยนะคำว่าศาสดาก็แปลว่าผู้สอนเนี่ยนะแต่ถ้าสาวกอื่นๆท่านก็ตรัสรู้ในฐานะผู้ตรัสรู้ตาม ถ้าท่านจะสอนท่านก็คือผู้ช่วยสอนเนี่ยนะผู้ผู้ช่วยสอนไม่ใช่ว่าภารกิจตรงๆของท่านนะ่ะคือการสอนสาวกนั้นภารกิจตรงไม่ใช่สอนสาวกภารกิจตรงๆเฉพาะส่วนตัวก็คือศึกษาปฏิบัติตามเนี่ยนะปฏิบัติตามก็คือศึกษาศึกษาก็คือปฏิบัติตามแต่ที่สอนเนี่ยเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายจงช่วยกันประกาศนะ ก็คือทาในฐานะพระพุทธเจ้าใช้ให้ทาเนี่ยนะอย่างพระมหากปินญะเนี่ยหลังจากที่ท่านตรัสรู้นะท่านจะหลีกเล้นแล้วก็จเจริญสุขเนาะสุขเน า, นานะดีจริงๆสมัยเป็นพระราชานะมันต้องมีคนคอยมาพิทักษรักษาองค์รักษ์นอนก็ดีก็ดีก็มาค่อยหลับอะไรเท่าไหร่แต่พอบรรลุแล้วก็มีความสุขดีจริงๆาันเสุขเนาะลูกศิษย์ห้าร้อยไม่สอน ท่นก็อยู่ของท่านไปไม่ได้ไม่ใช่ผมอ่ะผมก็อยู่ของผมไปท่านก็อยู่ของท่านไปก็คือเพียงแต่ว่าไม่ไม่คิดถึงก็แค่นั้นแหละไอ้คำว่ข า, าขวนขวายน้อยเนี่ยนะก็ไม่ต้องคิดถึงเขาเขาก็อยู่เขาเราก็อยู่เราอ่ะนะเหมือนกับเราอยู่ในสังคมระดับหมู่บ้านใช่ไหมในหมู่บ้านเราอาจจะมีตั้งห้าสบหกิหลังคาเรือนร้อยหลังคาเรือนแล้วก็คิดแต่เฉพาะในเรื่องในบ้านเราบ้านคนอื่นเขาทานข้าวหรือยังอะไรหรือยังเราก็ไม่ได้ไปคิดอ่ะนะไม่ได้มานัศิการหรอกั้นะ แล้วก็คิดเฉพาะเรื่องของเราครอบครัวของเราอะไรของเราไปชันใดก็ดีผู้ที่บรรลุธรรมบางท่านก็จะคิดแบบนั้นอันนี้ส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นก็จะควนขวายน้อยกันอ่าพอวนขวายน้อยอย่างนี้เข้าอ่ผู้ที่บางท่านก็นึกกรุณาต่อพระพุทธเจ้านะโอ้ก็น้าเราน่าจะช่วยแบ่งเบาพระ อ, อ, องค์บ้างนะในส่วนต่างๆนั้นๆ น, น, นะนะอย่างเช่นพระมหาโมคคลานะบอกเออ เราก็ควรจะช่วยแบ่งเบาพระ อ, องค์บ้างนะแต่ถ้าบางท่านนี้ไม่ได้พระ อ, องค์ต้องบอกเธอไปสอนเธอเนี่ยนะอย่างพระภาษารีบุตรนี่บางทีพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากคิดอย่างนั้นอยากคิดเพื่อขวนขวายน้อยอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะบางมีอยู่อย่างสูตรหนึ่งนะในจารุมสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าประ น, นามภิกษุสองห้าร้อยเนี่ยนะว่าเธอจงไปเธอไม่สมควรอยู่กับเราว่างั้นเถอะไม่สมควรอยู่ในพุทธสํานัก เพราะว่าพิสูจน์ห้าร้อยเหล่านั้นเนี่ยเป็นพระพิสูจที่บวชใหม่เป็นลูกศิษย์ระษาราบุตรพระโมคคัลลานั่นแหละติดตามพระอุปชามมาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาถึงก็มัวแต่จัดเสนาสนะก็เลยคุยกันเสียงระ ง, งมวัดไปหมดเลยนะเี่เหมือนชาวประมงแย่งปลาแบงนั้นเถอะกุฏิไหนถึงท่านกุฏินั้นถึงผมกุฏินี้ถึงอาจารย์ผมก็มานั่งถกกันในเรื่องกุฏินี่แหละก็คุยกันนะแต่ว่ามันอาจจะเสียงสูงเสียง เสียงมันสูงไปหน่อยนะมันก็ดังเวกเว ก, ก, เวกไปทั้งวัดหมดพระพุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงก็เลยถามพระอนุนว่าเสียงอะไรอา น, นุนบอกว่าเสียงท้าทิสุห้าร้อยที่มากับภาษารรบุตรมั้งนั้นเน่ยกําลังจัดเสนาสนะอยูน่นะพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาเลยอ น, นะเรียกทิสุห้าร้อยเข้ามาก็เข้ามาเฝ้าเข้ามาเฝ้าก็ถามถามเสร็จก็บอกว่าเธอจงไปเราประนามมั้งั้นเนี่ยเห็นะก็คือ มีความหมายว่าเธอทั้งหลายขนาดอยู่ในพุทธสํานักนะยังเสียงสูงเสียงใหญ่กันขนาดนี้ถ้าหากว่าไปอยู่ที่อื่นมันจะขนาดไหนว่างั้นเนะ่ยเธอไม่สมควรจะอยู่ในพุทธสํานักอนะไปเถอะเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็น้อยเก็บบาทเก็บบริคันเลยนะเตรียมไปแล้วภาษารี่บุตรก็ในฐานะหัวหน้านะประมกขคณหน้าหัวหน้าก็ก็ต้องไปหมดอว่างั้นเนี่ยไปหมดอ ะ, อ ป, ดอะประนามลูกศิษย์อุปชาก็ต้องไปด้วยอะ่ะ เสร็แล้วตอนหลังสามบดีพรหมเนี่ยนะก็มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าว่าสงเคราะห์พระพิสุเหล่านี้ด้วยนะเขาเนี่ยเหมือนกับข้าวกล้าใหม่ๆอะ่ะถ้าหากว่าขาดน้ําเขาจะาตาย น, นะข้าวกล้าที่ขาดน้ําก็จะตายลูกโคตัวเล็กๆเนี่ยนะถ้าไม่ได้ดื่มน้ํานมลูกโคเหล่านั้นก็จะตายเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์อนุเคราะห์ควนขวายพระพิสุเหมือนกับเช่นเคยด้วยเถอดเนี่ยนะสักยะ ที่เป็นพญาติอะะก็มาช่วยนิมนต์มาขอร้องพระพุทธเจ้าเหมือนกันมานิมนต์ให้พระองค์นี้สงเคราะห์พระพิสุทีนี้พระองค์ก็เรียกให้พระพิสุเหล่านั้นเข้าเฝ้าทั้งหมดเนี่ยนะปโมกคารนะนี่ก็คอยสังเกตดูว่าพระองค์จะเอายังไงก็รู้จิตว่าเออตอนนี้พระองค์จะเรียกกลับแล้ก็เลยชวนกันเข้าไปเฝ้าทั้งหมดพอเข้าเฝ้าเสร็จพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนสารีบุตรเนี่ยนะเราประนามสงอย่างนี้เสร็จแล้วเธอคิดยังไงเนี่ยนะ แต่าษาสาริบุตรก็บอกว่าตอนนี้พระ อ, องค์ขวนขวายน้อยเนี่ยนะแม้ข่าพระ อ, องค์ก็จักขนขวายน้อยเหมือนกันเนี่ยนะก็บอกจงรอก่อนสารีบุตรเนี่ยนะจงจงรอก่อนนะงั้นจะถ้าไม่เบรกย่างนั้นก็จะเอาเมือนกันนะทำไมก็บอกคือก็พระ อ, องค์ประนามแล้วเราไปหาทิฏฐธรรมมาสุขขวิหารธรรมหาอยู่ที่ผาสุขที่สบายของเราดีกว่าเนี่ยนะก็พระ อ, องค์ก็บอกว่าขนขวายจงจงรอก่อนสาริบุตรเนี่ยนะ ตรงนั้นแหละที่ท่านบอกว่าอันนั้นเป็นทุจริตของพระอรหันต์เนี่ยนะว่าเออพระอรหันต์ยังทั่วๆไปยังมีทุจริตอยู่ก็ทุจริญอย่างนั้นคือขนขวายน้อยอ่ะไอการไม่คิดจะสอนคนอื่นนี่ก็นับว่าเป็นเรียกว่าไม่ดีเหมือนกันเหมือนกันเถอะเดี๋ยวนะภาษารีบุตรท่านคิดจะไม่สอนจริงจแหละท่านจะหลีกเล่นจริงส่วนพระโมคกลารนะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าขนขวายน้อยนะเราผู้เป็นบุตรก็ควรที่จะรับช่วงงานต่อพระโมคกลานะก็ ก็ขอรับจกจะขออาสารับงานแทนซึ่งตอนนั้นนี้พระองค์ก็บอกว่าผู้ที่ควรบริหารสงฆ์โอวาสสั่งสอนสงฆ์ก็มีอยู่สามท่านจริงๆตอนนั้นนะคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเ<ม>นี่ย น, นะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สามท่านที่มีคุณธรรมคู่ควรที่จะโอวาสพิสุสงฆ์ได้นี่นนะทีนี้เราก็มาคิดดูว่าแล้วคนที่ไม่ค่อยมีความรู้แต่ขวนขวายมากแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะ ก็ต้องพิจารณาในแง่นี้ด้วยเหมือนกันนะความรู้ไม่ค่อยมีความเข้าใจพระธรรมก็ไม่ค่อยมีแต่ขยันเหลือเกินอย่างเงี้ยนะก็ขวนขวายมากก็ไม่รู้จะดีขึ้นหรือจะเลวลงก็ไม่ทราบเนี่ยนะทีนี้เขาไม่มาฟังเทศสักทีก็ไปเที่ยวขอร้องมาช่วยฟังนอยอย่างเงี้ย่ก็แย่แล้วนะอย่างพระมหากปินนะก็เหมือนกันอย่างที่ว่าหลังจากที่ท่านตรัสรู้เป็นท้าอรหันแล้วท่านก็ไม่ไม่ในเทศอะไรก็อยู่เงียบๆของท่าน จเจริญคือพระทหารก็จะเข้าพระสมมาบัติซะส่วนใหญ่ก็จะมีความพราสุขอยู่สงบไปอ่ะนะพระพุทธแล้วก็ภิกษุห้ารา้อยก็บอกว่าอุปชาอาจารย์เราก็ไม่ได้สั่งสอนอะไรเท่าไหร่เลยตอนหลังพระพุทธเจ้าก็ถามพระภิกษุเหล่านั้นอ่ะนะว่าอาจารย์เนี้ยโอวาทบ้างหรือเปล่าเนี่ย น, นะพระภิกษุก็บอกว่าไม่ได้รับโอวาดอะไรเลยฟังกันอาจารย์โมตะ ล, ลีเล่นอยู่อย่างเดียว พระพุทธเจ้าก็ขอร้องให้พระมหากรินะสั่งสอนโอวาทให้พระพิสุเหล่านั้นฟังพระพิสุเหล่านั้นก็ก็เก่งจริงๆนะท่านพระมหากรินะสอนครั้งเดียวบรรลุหมดเลยเนี่ยนะก็เลยเป็นเป็นเลิศในทางโอวาทพระพิสุพระพระมหากรินะนะเอตทักขะด้านนั้นขนาดความสามารถขนาดนั้นก็ขวนขวายน้อยพระพุทธเจ้าต้องบอกแล้วก็อีกอย่างเจ้าหนึ่งก็คือพระนันทกะ พระนันทกะนี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดจะสอนเลยมันก็หลีกเล้นของท่านไปอะไรของท่านไปเสร็จแล้วพระภิกษุเขาก็ตั้งวัดกันว่าเราต้องเปลี่ยนเวรกันสอนนะพระนันทกะก็บอกก็ไม่อยากสอนอีกนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกต้องสอนเถอะพระนะพระองค์ก็ขอร้องให้ให้พร ะ, ะพระนันทกะเนี่ยสอนแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะอย่างส่วนใหญ่แล้วพระภิกษุที่ที่ทํางานสอนเนะี่ย ก็จะจะเกิดจากพระพุทธเจ้าแนะนำว่าให้ให้ไปทํากิจนะให้มาสงเคราะห์กันอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ถ้าโดยลําพังตัวของท่านเองก็เหมือนกับว่าท่านทํากิจของท่านเสร็จแล้วนะก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคือท่านไม่ได้บำเพ็ญเจตนารม์ดั้งเดิมเลยไม่ได้มาเพื่อว่าเราตรัสรู้แล้วก็ต้องไปเที่ยวสอนให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นอัธยาสายอันนั้นไม่มี แต่ของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีมหากรุณาสมาบัติยามพระองค์ก็จะไม่มีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าพระองค์นี่จะเจริญมหากรุณาสมาบัติเนี่ยวันละสองครั้งอย่านะเช้ามืดกับบ่ายอย่านะสองครั้งก็จะต้องเจริญกรุณาสมาบัติก่อนอนะก็คือคิดถึงความทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ในสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยนะว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยทุกอะไรบ้างเนีย่ยนะทุกถึงทุกในวัฏฏะนะคือทุกทางสรีระร่างกายอย่างหนึ่งทุกทาง จิตใจเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วก็จิตใจที่ถูกกิเลสกลุ่มรุมแล้วก็ร่วงทําความชั่วมาทางกายอย่างไรบ้างแล้วก็ทําเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ตัวเองอย่างไรบ้างเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้รับการแนะนําไม่ได้รับคําพร่ำสอนเขาจะไปทําชั่วอย่างไรต่อไปบ้างพระองค์ก็มาเจริญกรุณาถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์ก็เลย คิดว่าเออตอนนี้เราก็ตรัสรู้แล้วนะแต่ว่าพวกอื่นก็ยังไม่ได้ตรัสรู้กันเนี่ยนะเราพ้นแล้วแต่ว่าคนอื่นก็ยังไม่ได้พ้นการเราข้ามแล้วแต่ว่าสัตว์อื่นก็ยังไม่ได้ข้ามเลยเหมือนกันนี้เราปริณีพ่านแล้วสัตว์อื่นก็ยังไม่ได้ปริณีผ่านเพราะฉะนั้นเราข้ามแล้วจะต้องให้ผู้อื่นข้ามด้วยอันนี้คิดตอนบรรลุแล้วนะไอคิดก่อนบรรลุก่อนที่บําเพ็ญบารมีก็ต่างหากแต่ว่าไอคิดอย่างนี้ต้องมาคิดทุกวัน ถ้าไม่คิดอย่างนี้ทุกวันก็จะเลิกสอนเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าคิดสมมุติว่าถ้าเลิกคิดเมื่อไหร่ก็จะขวนขวายน้อยแล้วเนี่ยนะแต่ก็ต้องอย่างเงี้ยเช้าบ่ายเช้าเอเช้าค่ำเออขออภัยเช้าบ่ายก็คิดเช้าก็คิดบ่ายก็คิดเช้าก็คิดบ่ายก็คิดเช้าก็คิดบ่ายก็คิดคิดอยู่อย่างนี้ทุกวันวันไหนเลิกคิดก็แสดงว่าจะขวนขวายน้อยแล้วเนี่ยนะแต่ขนาดพระองค์คิดเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ขนาดนั้นนะ พระองค์ก็พอทํากิจนั้นเสร็จพระองค์ก็ไปเลยเห็นไหมก็จะไม่ไม่มาอยู่แบบพ้อมล้อมแบบทั่วๆไปอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่ทําแม้แต่หน่อยเดียวเห็นไหมเขบอกว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นิดหนึ่งก็ไม่มีสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนก็ตามนะหนึ่งไม่มีคนถึงไตรสารณคมไม่มีคนจะรักษาศีลเอ่อไม่มีคนจะบรรลุธรรมเป็นต้นเนี่ยนะไปแล้วเห็นไหม ก็ไปแล้วไม่ไม่ไม่อยู่แม้แต่วันเดียวที่จะอยู่ต่อก็ไม่อยู่เนี่ยนะวันเดียวก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าหมดพร า, าหมดงานณนะที่นั้นๆแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะทีะ่สั่งสอนหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ด้วยพระพระมหากรุณาแต่ทีนี้เราก็พูดถึงเมื่อกี้ว่าสาวกทั้งหลายก็เน้นกิจของอันนะของของตัวเองนี่ให้มากมากการที่ปฏิบัติ หรือประพฤติดีปฏิบัติชอบลําพังตัวเราเองเนี่ยนะก็เท่ากับสงสารพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนะนะก็คือดูก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็น่ากรุณามากะนะครับว่าพระองค์ก็ตั้งใจที่จะช่วยเราอะนะแต่เราไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยอย่างที่พระองค์ต้องการบ้างเลยเนี่ยนะจะเอ๊ะพระองค์ก็เหน็ดเหนื่อยเปล่ามั้งอย่างเงี้ยนะ ก, ก็นึกถึงสิ่งที่พระองค์บําเพ็ญมาเนี่ยก็มากเหลือเกินเนี่ยนะเราก็ควรที่จะ ประพฤติตามให้ให้ตรัสรู้ธรรมะที่พระองค์แสดงไว้บ้างเนี่ย น, นะอันนี้ก็ก็น่าสงสารพระองค์อีกแง่หนึ่งแต่อีกแง่หนึ่งเราก็น่าจะสงสารตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าไม่ศึกษาหรือปฏิบัติให้ถึงเกณฑ์ที่มาตรฐานคติของเราเอาอะไรมาเป็นเครื่องเครื่องวัดว่าเราปลอดภัยแล้วในวัฏตะเนี่ยนะอะไรเป็นเครื่องวัดสังสารวัฏที่ที่เป็นไปอยู่นะไม่มีมีใครมีความปลอดภัยแม้แต่หน่อยเดียว เนีนะเพราะว่าไอสิ่งที่ไม่แน่นอนอะ่ะมันคือความแน่นอนที่สุดนะนะในโลกนี้ไอ ส, สิ่งที่เราเกี่ยวข้องอะ่ะคือทุกขสัตว์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมทุกขสัตว์ที่เราเกี่ยวข้องนะโดยมากเป็นทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์มีอยู่สองอย่างทนีนี้ไอลำพังตัวทุกขสัตว์เองนะมันมีแน่นอนไหมมีทุกขสัตว์อันไหนที่ยังโอ้โหแน่นอนตลอดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยนะสมบูรณ์อยู่นั่นแหละไม่มี พงษ์บอกว่าสังขารเที่ยงไม่มีหรอกเนี่ยนะก็สังขารไม่เที่ยงพอๆกับไม่มีรอยเท้าในอากาศเนี่ยนะเหมือนกันเนี่ยนะรอยเท้าในอากาศไม่มีฉันใดสังขารที่เที่ยงไม่มีฉันนั้นเนี่ยนะแล้วต่อไปสังขารทุกชนิดที่เกิดมาที่ไม่เป็นทุกข์ไม่มีเนี่ยนะเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยนะแล้วธรรมะที่เป็นอัตตาทั้งปวงไม่มีเนี่ยนะ ธรรมะที่เป็นอัตตาทั้งปวงไม่มีถ้ารูปประขันที่ดีอย่างที่คิดไม่มีเนี่ยนะก็บางแห่งก็ตรัสว่าเราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้แต่หน่อยหนึ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายากตามอย่างที่เขากำหนดกันหมายความว่าถ้าไปกำหนดไปเพลิดเพลินลุ่มหลงในรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะไม่มีหรอกที่รูปนั้นจะไม่ก่อให้เกิด โสกาปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาถ้าถ้าเข้าไปไปหวังเข้าไปเพลิดเพลินนะเข้าเข้าไปเกิดกับที่เรียกว่าเข้าไปยึดเนี่ยนะเข้าไปยึดเนี่ยยึดว่ายังไงก็ยึดว่าสุกนั่นแหละยึดว่าเที่ยงอีกนั่นแหละยึดว่าเป็นอัตานั่นแหละหรือว่ายึดว่าเป็นของเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าการเข้าไปยึดแล้วอะ่ะที่จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขไม่มีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความยึดนั้นเป็น เหตุแห่งกองทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นสมุทัยสัจจะอยู่แล้วเนี่ยนะเหตุแห่งทุกข์อย่างอื่นนอกจากตานหาไม่มีเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและก็ด้วยด้วยพระองค์เองเนี่ยนะเวลาที่พระองค์สั่งสอนบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะโดยมากแล้วพระองค์ก็เลือกสอนเนี่ยนะ ก็เลือกสอนถามว่าเห็นแก่ น, น้าไหมไม่ใช่เห็นไหมแต่คนมีปัญญาเขาก็เลือกสมมุตินะในโลกเนี้ยคนมีปัญญาทั่วทั่วไปนะเขาทําอะไรเขาก็เลือกทําอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่านึกอยากทําก็ทําไม่ได้ใครค ร, ครวนให้รอบคอบไม่พิจารณาก็ไม่ใช่โดยลําพังทั่วๆไปก็จะใครครวนพิจารณาก่อนแล้วจึงจึงทำผู้ที่ใช้รถใช้ถนนฉลาดก็เลือกถนนที่จะไปแล้วนะก็พิจารณาแล้วจึงจึงใช้ถนน คนที่ฉลาดในเรื่องการกินก็เลือกอาหารก่อนแล้วจึงจึงกินจึงรับประทานฉันใดพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ที่สุดยอดของผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็พิจารณาโดยรอบครอบแล้วจึงจึงสอนอย่างที่พระ อ, องค์แรกตรัสรู้ใหม่ๆพิจารณาถึงว่าเอ๊ะผู้ใดควรสอนบ้างเนี่ยน ะ, ะบุคคลกลุ่มแรกๆที่พระ อ, องค์เน้นว่าจะสอนก็คือคนต้องคนนั้นต้องสงัดจากกิเลสอย่างมากก่อนอะนะเป็นบุคคลที่ควร รองรับพระธรรมเนี่ยนะผู้ที่เกลือกกล้วด้วยกิเลสก็ยากที่เข้าใจธรรมะของพระ อ, องค์ว่างั้นเถอะก็เลยพิจารณาดูอาราละดาบทกับอุทกะดาบทเนี่ยเป็นคนที่อยู่ปราศจากกิเลสมานานแล้วเนี่ยนะคือนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมมานานมากๆแล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะฟังอริยศาสตร์จะเข้าใจเร็วเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนอื่นทั้งหมดแล้วอ่ะคนที่สงบระ ง, งับกิเลสเนี่ยนะปัญญาเขาเกิดง่ายฟังอริยศาสตร์แล้วเข้าใจง่ายเนี่ยนะ พระเจน ธ, ธ ร, รนนสอนเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องใช้ธรรมะนี้อย่างเต็มที่เลยก็เป็นผู้ปฏิบัติในธรรมะเหล่านั้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่แล้วเจนพรนั่นนะแม้กระทั่งที่เรียกว่าพรห ม, มาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยนะที่พรห ม, มาจโลกาทิปฏิสหรรมปฏิเนี่ยนะ กาอัมเฉลีอันติวารังเนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยคำนี้ก็คือพระ อ, องค์ปารลที่ขวนขวายจะไม่แสดงธรรมใช่ไหมเสร็จ แ, แล้วพร้อมก็มาอาราธนาพร้อมก็มาใคร่ควรวนดูนะก็ไข่ควรวนคืออาศัยคําอาราธนาอย่างหนึ่งอาศัยมหากรุณาที่เคยสะสมมาเนี่ยอย่างหนึ่งด้วยเหตุสองประการนี้พระอมก็ตรวจดูสัตว์ก่อนตรวจดูสัตว์ว่าสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้นะมีอยู่ สามกลุ่มเห็นไหมแต่หมูสัตว์ที่เราเรียกว่าสีจ่จำพวกอะนะที่เรียกอุ ป, ปมาเหมือนกับบัวสี่เหล่าวันนั้นเนี่ยวันที่พระองค์ตรวจ ด, ดูสรรพสัตว์เนี่ยพระองค์ก็แบ่งแบ่งสองส่วนอย่างนี้ก่อนนะพวกบรรลุกับพวกไม่บรรลุแยกอย่างนี้เลยทั้งหมดนี้จะบรรลุเท่าไหร่แล้วไม่บรรลุเท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้เหตุผลแรกทีนี้พิจารณาต่อไปอีกว่าแล้วพวกที่บรรลุเนี่ยจะบรรลุแบบเร็วหรือแบบช้า หรือใช้เวลามากก็พิจารณากลุ่มที่บรรลุแยกแล้วพวกที่จะบรรลุด้วยบรรลุเร็วหน่อยเรียกอุคติตันญูบรรลุช้ากว่านั้นอีกหน่อยเรียกว่าวิปัญจิตันยุนานกว่านั้นจะบรรลุได้ก็เป็นประเภทในญาติบุคคลเนี่ยนะพวกบุคคลทั้งหลายเหล่านี้กม็มาบอกว่าเออถ้าเราจะสอนก็ต้องสอนตามจริตก็มาแบ่งว่าเออจริตไหนราฆาจริตโทสะจริตโมหจริตวิตตกจริตผู้ที่จริตศรัทธาจริตอย่างเงี้ยนะก็มาแบ่งตามจริต พอแบ่งเสร็จแล้วก็พิจารณาใค่ควรถึงการเวลาเบ็ดเสร็จพร้อมสมบูรณ์บทจึงรับว่าจะสอนเนี่ยนะก็ว่าพิจารณารอบครอบตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ภาระการสอนเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จะไปจบสิ้นเมื่อไหร่จบที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคำนวณเบ็ดเสร็จหมดแล้วจึงจึงทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสามเดือนสุดท้ายก่อนจะดับขันปรินิพานนะพอบอกว่าปลงมายุสังขารเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยนะสมนัตมีความสุขมาก น, นะสมณัส ม, มอบที่ที่ว่าอีกสามเดือนนี้ก็หมดแล้วเนี่ยนะอีกสามเดือนนี้ก็เสร็จสิ้นภาระและ้วแ่อย่างนั้นก็ยังพลาดโอกาสที่พระอนน์ไม่ได้กรุณาขอไม่ใช่พลาดหรอกถือยังไงพระอานน์ก็ไม่ได้ขออยู่ดีโดยเนื้อหานะยังไงก็พระอานน์จะไม่ขออยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าพระอานน์นี่ตอนนั้นเนี่ยเ อ, อ ในคำบีท่านบอกว่ามาเนี่ยแทรกตลอดเวลาเนี่ยนะพระนรนเนี่ยถูกมาเนี่ยควบคุมพฤติกรรมและระวังนั้นเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้มาต้องมาบังไม่ให้เข้าใจแบบนั้นเด้ปกติเป็นคนฉลาดมากเลยนะพระอนรนแต่พอฟังเรื่องนี้ก็ไม่ฉลาดแล้วแล้วพระองค์ก็แสดงอย่างนี้ตั้งหลายครั้งก็ไม่เข้าใจอีกเนี่ยนะแล้วให้นายตั้งหลายนายนะแสดงอยู่หลายครั้งด้วยให้นายตั้งหลายนายพระนนก็ไม่เข้าใจอีกเนี่ยนะ ทีนี้นะ ก, ก็ก็ไม่อาราธนาแต่จริงๆแล้วอ่ะพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงพระนนก็ไม่อาราธนาแต่ถามว่าทําไมพระองค์จึงจึงกล่าวแบบนั้นก็พระนนเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจรักกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมากเนี่ยนะแล้วก็ด้วยหเหตุปัจจุบันอย่างหนึ่งด้วยความเคารพด้วยนะแล้วก็เหตุอดีตก็คือเคยสะสมในการผูกพันกันเกื้อกูลกันมาหลายชาติด้วยกันนั่นเนี่ยนะ มันก็นับว่าเป็นผู้ที่ผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากทีนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าดับขันปริญิพานพระอนน์ก็ต้องเสียใจอย่างมากเสร็จแล้วก็จะมาขอร้องแล้วขอร้องเล่าขอร้องมันไม่เลิกไม่ราสักทีไงคล้ายๆแบบนี้นะเสร็จแล้วทําลำพังนะคนเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนทําผิดนะมันจะเสียใจไม่ค่อยมากเดี๋ยนะพระองค์ก็จะอาศัยเหตุการณ์ตรงนั้นแหละอ้าว อ, อนนท์เราก็บอกเธอแล้วไม่ใช่หรือเธอไม่อาราธนาเองทีนี้ก็เลยบอกว่า ความผิดนะถ้าตัวเองทนะําแล้วมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเสียใจอ่างนั้นเด้อเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดของท่านเองท่านก็ไม่รู้จะไปตําหนิอะไรเนี่ยนะก็เราเปิดโอกาสให้นายนแล้วนะเธอไม่ขอเองไงนะท่านก็ไม่รู้สึกตําหนิตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาจะตำโมตาหนิแกนั่นแหนละถ้ขอไว้นะแต่ว่าพระ อ, องค์เนี่ยรู้แล้วเนี่ยนะว่ายังไงก็พระอานน์ไม่ไม่ได้ขอนะแต่พระ อ, องค์ก็จะได้ให้พระอานน์เนี่ยไม่ต้องโศกมาก ในเวลาที่พระ อ, องค์จะดับขันปรินิาพานเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นพระนนก็เสียใจเนี่ยนะเสียใจเนืองๆเลยว่างั้นเถอะโท ม, มนัดเนืองๆ